บุ๊กทูหกสสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งผมของผม ยาวยผมหากุญแจของผมไม่พบ nem ่องจาม่้สว้ีผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ n e m ่อ u จว้ยซึ่คุณของคุณที่ทวยทีวียทสวย คุณหากุญแจของคุณเจอไหม n a l si s k l คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม n a l si s i e k เขาของเขา on, on j e o on s o on s o j e คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Nevíš, kde je jeho klíč? Kun, e n í š kde je jeho jízdenka? Të, ona je jí, ona, svůj, ona svoje. Kong Její peníze jsou pryč. และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยเราของเรามินาชมินาเชมิสวุยมิสววยคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายนาชเดดเดเชกยังน่าโม้ส์นคุณย่า คุณยายของเราสุขภาพดี Naše babička je zdravá คุณหนูของหนู Vavaš Vavaše vy svůj va vy swoje เด็กดกคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน Dzieci, gdzie jest tatínek? เด็ก คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน